นับตั้งแต่กองทัพของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นตบเท้าเข้ามาในดินแดนไทยเพื่อขอใช้เป็นที่มั่นทางยุทธศาสตร์สะสมสเสบียงแต่ก็พ่ายแพ้สงครามซะก่อนก่อนที่จะมุ่งหน้าข้ามไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราสงครามมหาเอเชียบูรพาครั้งนั้นได้สร้างรอยร้าวทางประวัติศาสตร์ไว้ให้กับประเทศไทยมากมายค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ปรากฏเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ที่ยากแก่การอธิบายไว้ด้วยเช่นกัน มีเรื่องเล่าสืบกันมาค่ะว่าในช่วงเวลาที่สงครามกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นเครื่องบินฝ่ายพันธมิตรทิ้งระเบิดทำลายฐานที่มั่นของทหารญี่ปุ่นอย่างบ้าคลาั่งผู้คนวิ่งหนีตายหาที่หลบภัยกันอนลมาน ถ้าหากในบริเวณดังกล่าวนั้นมีวัดวาอารามตั้งอยู่ก็มักจะมีเหตุการณ์ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอยู่เสมอระเบิดที่ตกลงมาในเขตวัดมักจะด้านหรือลอยห่างออกไปตกในบริเวณที่ไกลจากวัดทำให้วัดวาอารามหลา ย, หลายแห่งรอดพ้นจากการถูกทําลายมาได้โดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นเชื่อกันอย่างสนิทใจค่ะว่าเป็นเพราะอานาจศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระปติมาที่ประจำอยู่ในวัดนั้นๆ ถ้าพูดถึงหลวงพ่อโบทน้อยเชื่อว่าหลายท่านคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสถานีรถไฟสายบางกอกน้อยที่พวกทหารญี่ปุ่นใช้เป็นจุดขนถ่ายกองกำลังและยุโทโธปกรณ์พร้อมกับสเสบียงอาหารถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดฝ่ายพันธมิตรทำลายราบเป็นหน้ากลองแต่โบทของหลวงพ่อที่อยู่ในบริเวณนั้นกลับไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย ริมแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณท่าน้ำวัดเทวราชกุญชรนวรวิหารก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายค่ะที่เครื่องบินทิ้งระเบิดลงมาหลายระลอกทำให้บริเวณทั่วไปภายในวัดเสียหายหมดคงเหลือแต่โบสถ์เพียงหลังเดียวที่ไม่ถูกระเบิดแม้กระทั่งหลังคาโบสถ์ค่ะก็ยังไม่มีร่องรอยของการแตกบินแม้แต่น้อย ในสมัยนั้นชาวบ้านก็เรียกพระพุทธรูปประธานกันค่ะว่าหลวงพ่อโบทน้อยเช่นกันเนื่องจากคนในสมัยก่อนค่ะมักจะเรียกบทหลังเล็กๆว่าบทน้อยต่อมาภายหลังจึงเปลี่ยนนามให้ท่านใหม่นะคะว่าหลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดนี้มาตั้งแต่สมัยอายุทยา เรื่องราวปฏิหารของหลวงพ่อดำไม่ได้หมดลงเพียงแค่นี้ยังมาปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อคราวสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในขณะก่อนทําการทุบโบสถ์หลังเก่าทิ้งได้มีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปออกมาทั้งหมดเมื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่และก็ตกแต่งเป็นที่งดงามสมบูรณ์แล้วนะคะ <c oughs> ก็ทําพิธีอัญเชิญพระประธานเข้าไปประดิษฐานอาจจะเกิดจากความผิดพลาดบางประการค่ะจึงทําให้พระประธานถูกสับเปลี่ยน ที่ต้องกล่าวเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าอุโบสถในสมัยอายุทยานะคะมักจะนิยมสร้างแท่นใหญ่รองรับพระพุทธรูปได้หลายองค์ดังนั้นพระพุทธรูปต่างๆรวมถึงพระประธานจึงถูกประดิษฐานร่วมฐานเดียวกันและพระพุทธรูปทุกองค์ก็ล้วนเก่าแก่คู่วัดมาทั้งนั้นเลยไม่รู้ค่ะว่าองค์ไหนเป็นพระประธานมาตั้งแต่ดั้งเดิมทางวัดก็เลยเข้าใจนะคะว่าพระพุทธรูปปางมันวิชยัยที่มีฐานกว้างก้าฟุต สูง11ฟุตค่ะน่าจะเป็นพระประธานมาตั้งแต่เดิมและก็ไม่คิดนะคะว่าหลวงพ่อดําพระพุทธรูปปางประธานพรที่มีขนาดเล็กกว่ามากจะเป็นพระประธานแห่งโบสถ์นี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมค่ะก็เลยอัญเชิญพระพุทธรูปปางมารวิชัยขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชีเป็นประธานแห่งพระอุโบสถส่วนพระพุทธรูปที่เคยอยู่ร่วมฐานเดียวกันองค์อื่นๆนั้นก็ประดิษฐานลดหลั่นกันรองลงมา ในขณะที่ทางวัดนะคะกำลังประกอบพิธีบวงสวงสมโพธ์พระประธานในโบสถ์แห่งใหม่นั้นก็เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศกลางวันที่ร้อนระอุ ทันใดนั้นค่ะก็เกิดลำแสงสีรุ้งกลางพระอาทิตย์ทรงโกรดนั้นลากเป็นทางลงมายังพระพุทธ ร, รูปหลวงพ่อดำพระเถระพระสงฆ์และประชาชนที่มาร่วมพิธีในครั้งนั้นต่างก็ตระหนักขึ้นมาในทันทีว่าพระประธานที่แท้จริงนั้นก็คือหลวงพ่อดําแต่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงพระประธานในตอนนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากจึงแก้ปัญหาด้วยการอัญเชิญหลวงพ่อดําออกจากโบสถ์แล้วประดิษฐานไว้ที่ด้านหนึ่งของพระอุโบสถโดยหันพระพักไปทางด้านหน้า วัดดังที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นะคะ ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดำองค์นี้สุดที่จะกล่าวค่ะเรียกว่าขอพรอะไรก็มักจะสำเร็จแต่ว่ามีข้อยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องทหารเพราะเชื่อกันมายาวนานค่ะว่าท่านชอบทหารและข้าราชการมากนะคะหากใครมาบนบานขอให้ไม่ถูกคัดเลือกเป็นทหารแล้วแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมามักจะตรงข้ามเสมอสำหรับผู้ที่สมความปรารถนาแล้วก็จะนาขนมปกิมไข่เต่ามาถวายนะคะซึ่งเป็นเครื่องสักการะซึ่งเป็นที่นิยม ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตนะคะสมัยก่อนชาวบ้านเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดสมอแครงแล้วก็มีความเก่าแก่อยู่คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ คู่กับแม่น้ำเจ้าพระยามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่สก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นพระอารามหลวงแล้วก็พระราชทานนามใหม่นะคะว่าวัดเทวราชกุญชรโดยนําพระนามเดิมของกรมพระพิทักษ์เทเวศต้นตระกูลสกุล น, นะคะกุญชรณ อ, นนอยุธยาพระราชโอรสในรัชกาลที่สองผู้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้มาตั้งเป็นนามวัด ปัจจุบันเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารค่ะส่วนเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนี้ยังไม่หมดนะคะก็ในบริเวณด้านหน้าทางเข้าชุมชนหลังวัดเทวราชกุญชอนก็จะมีต้นโพใหญ่ต้นหนึ่งที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของเนนรูปหนึ่งค่ะ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นตำนานที่ทำให้เกิดศาลแล้วก็รูปปั้นหลวงพ่อเนนขึ้นมาในปัจจุบันซึ่งก็มีทั้งความศักดิ์สิทธิ์ทางโชคลาภแล้วก็เป็นที่เคารพของประชาชนอย่างกว้างขวางเรื่องราวของหลวงพ่อเนนนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปในแผ่นดินรัชกาลที่4ค่ะซึ่งเป็นสมัยของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีซึ่งมีเนน้อยรูปหนึ่งคอยติดตามปฏิบัติรับใช้สมเด็จอยู่ตลอด ต่อมาเนน ร, รูปนี้นะคะก็ได้ถึงแก่มรณภาพแต่จะเป็นด้วยโรคหรือว่าสาเหตุใดไม่ปรากฏค่ะสมัยนั้นศพของเนนก็ถูกนำใส่เรือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อมาถึงวัดสมอแขวงก็เลยได้นำศพขึ้นมาฝังไว้บริเวณป่าช้าหลังวัดแล้วก็ต่อมาบริเวณที่ฝังศพเนนได้เกิดมีต้นโพแล้วก็เติบใหญ่ขึ้นมาจนเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ตำนานเล่ากันเพียงเท่านี้นะคะ นางศิรประพาตราภูมิค่ะหรือพี่เพนที่มีบ้านอยู่ด้านหลังศาลหลวงพ่อเนรในปัจจุบันเป็นผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์กับตัวเองนะคะแล้วก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อเนนมากได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ให้ทราบค่ะว่าแต่เดิมพี่เพนเป็นคนมีฐานะดีคนหนึ่งในย่านนี้แต่ด้วยความที่ไว้เนื้อเชื่อใจคนง่ายอะค่ะเห็นคนเดือดร้อนก็ให้หยิบยืนไปทีละมากๆแต่ก็ไม่เคยได้คืนกลับมาเลย เมื่อเวลาที่ตัวเองเดือดร้อนจริงๆถึงกับสุดนะคะเมื่อมีปัญหาหนักอกหนักใจอย่างที่ไม่รู้จะระบายกับใครมีเพียงแค่สารหลวงพ่อเนนบริเวณหน้าวัดหลังจากที่ไปจุดทูบนั่งปรับทุกข์กับท่านเรารู้สึกสบายใจแล้วก็ได้โชคลาภจากท่านอยู่ตลอดเวลาค่ะพี่เพนเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าหลวงพ่อเนรเนี่ยนะคะมักจะมาเข้าฝันบอกหวยให้ทุกครั้งที่พี่เพ้นมีเรื่องเดือดร้อนจริงๆที่เห็นในฝันจะมาเป็นพระหนุ่มเหมือนกับคนธรรมดาซึ่งพี่เพนบอกว่าอ เคยไปนั่งไม่เคยไปนั่งขอเหอนับคนอื่นเลยเพียงแต่ว่าไปนั่งปรับทุบแบบพูดคนเดียวอะไรทานองนั้นท่านก็มาเข้าฝันให้โชคแล้วก็เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับตัวพี่เพ้นเองก็เลยเคารพนับถือมาอตั้งแต่นั้นเลยนะคะแล้วก็คอยช่วยทำความสะอาดดูแลสารในท่านอยู่เรื่อยๆค่ะพี่เพ้นได้เล่าต่อไปอีกนะคะว่า สมัยก่อนนั้นยังไม่มีสารหลวงพ่อเนรแต่ว่าผู้คนก็รู้กันดีว่าบริเวณต้นโพใหญ่แห่งนี้เคยเป็นที่ฝังศพของเนนอง์หนึ่งเพราะว่าเป็นตำนานเล่าขานกันมานานเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะต้นโพดังกล่าวก็มีกิ่งก้านงอกงามออกมากลางลำต้นทั้งสองด้านมีลักษณะคล้ายมือคนค่ะมีนิ้วครบถ้วนแล้วก็เป็นเรื่องแปลกที่ทําให้ผู้คนเดินทางมาดูกันเป็นจํานว น, นมากจนช่วงเช้ามืดนะคะมักจะมีคนเห็นพระอุ้มบาทเดินออกมาจากต้นโพ วันดีคืนดีก็มีแสงประหลาดลอยวนเวียนอยู่แม้แต่ลูกชายของพี่เพนเองก็ยังเคยเห็นแสงดังกล่าวปรากฏขึ้นเวลาประมาณตี2ของคืนหนึ่งนะคะเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยทำให้มีผู้คนเดินทางมากราบไหว้ขอหวยที่ต้นโพกันเรื่อยมาค่ะจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีมีคนจากทางจังหวัดฉะเชิงเราฝันเห็นพระรูปหนึ่งในความฝันท่านบอกว่า เป็นหลวงพ่อเนนที่อยู่วัดนี้บริเวณนี้อยากให้ช่วยปั้นรูปของท่านไว้ให้ผู้คนกระถับไหว้บูชาเพื่อที่จะสร้างอนิสงส์สืบไปในภายภาคหน้าและท่านก็บอกเลขให้กับชายคนดังกล่าวเพื่อให้เขานําไปซื้อหวยนะคะเมื่อเขาไปซื้อค่ะก็ถูกจริงๆได้เงินมาหลายแสนเลยทีเดียวแล้วก็ออกเดินทางตามหาวัดนี้จนพบแล้วจ้างช่างมาสร้างรูปปั้นพระสงฆ์เอามาตั้งไว้ให้คนกระถับไหว้บูชาดังที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นะคะ แล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เองค่ะคุณผู้ฟังมีคนนำเอารูปปั้นกุมารทองไปไว้ที่บริเวณศาลหลวงพ่อเนนนะคะแล้วก็เล่าให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในบริเวณศาลฟังค่ะว่าเอามาถวาย ยกให้เป็นลูกของหลวงพ่อเนรเพราะว่าเลี้ยงไว้ที่บ้านไม่ได้แล้วสนเหลือเกินวิ่งเล่นเปิดปิดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าทําให้คนในบ้านกลัวกลัวกันจนไม่กล้าเข้านอนกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็มีคนมาขอโชคลาภค่ะแล้วก็ถูกหวยกันแทบทุกงวดนะคะพี่เพนพูดทิ้งท้ายวัดเทวราชกุญชรค่ะตั้งอยู่ติดกับหอสมุรแห่งชาติท่าวาสุกรีถนนสามเสนกรุงเทพมหานครควรหาเวลาว่างมาเที่ยววัดเก่าแก่ริมแม่น้าเจ้าพระยาเพื่อนมันสการพระพุทธ ร, รูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อา ให้เกิดสติมงคลนะคะแล้วก็พิสูจน์เรื่องราวของสิ่งเร้นลับเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะส่วนเรื่องที่จะเล่าอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของตำนานพิสวง์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตำนานแห่งบ้านนาสาวนานจังหวัดสกลนครที่ชาวบ้านเชื่อค่ะว่าแก้อาถรรพ์ผีปอบได้จริงหรือไม่เรื่องในตำนานมีอยู่นะคะว่าในสมัยก่อนนี้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งอพยพมาตั้งหลักปักฐานบุกเบิกพื้นที่ทํานาครอบครัวนี้ก็จะมีลูกสาวชื่อว่านานค่ะดังนั้นผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่ในภายหลังจึงเรียกสถานที่แห่งนี้ตามชื่อของครอบครัวดังกล่าวว่าบ้านนาสาวนานกันติดปากมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะ หมู่บ้านนาสาวนานตำบล น, นาหัวบ่อบอำเภอพา น, นานิคมจังหวัดสกนลนครในอดีตนะคะพื้นที่ตรงนี้นี่อยู่ห่างไกลความเจริญแล้วก็เป็นถิ่นทุรกันดาลแห้งแลง้งแล้วก็ขาดแคลนน้าดื่มน้ําใช้ชาวบ้านก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันขุดบ่อน้ําขึ้นมาและไม่ต้องการให้น้ําในบ่อดังกล่าวแห้งเหือดไปจึงต้องการเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะคะมาทําให้น้ําในบ่อเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของคนทางอีสานนะคะ หมู่บ้านแห่งนี้มีพื้นที่ติดกับเทือกเขาภูพานใกล้กับวัดถ้ำข า, ขามของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งที่พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่เทศเทศรังสีเทพเจ้าแห่งร่มน้ำโขงนะคะชาว บ, บ้านก็เลยเดินทางไปหาพระอาจารย์ฟั่นค่ะ เมื่อพระอาจารย์ฟั่นทราบข่าวก็มอบพระเครื่องและก็สิ่งที่เป็นมงคลให้ชาวบ้านตามประสงค์ชาวบ้านจึงนำมาไว้ในบ่อน้ำกลางหมู่บ้านโดยให้เหตุผลว่าเป็นของดีที่พระให้มาแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะเมื่อชาวบ้านดื่มกินหรือว่านำไปอาบจะได้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้วก็ยังเชื่อกันอีกว่าน้าในบ่อนี้จะช่วยรักษาโรคภัยต่างๆได้อีกด้วย นอกจากนี้นะคะแผงไม้ที่เอามาปิดปากบ่อน้ำค่ะก็ยังลงอักขระเป็นภาษาขอมซึ่งเป็นคาถาอาคมป้องกันพูดผีและก็ดวงวิญญาณชั่วร้ายชาวบ้านนาสาวนานเชื่อค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นผีอะไรถ้าหากดื่มกินหรืออาบน้ำจากบ่อ น, นี้แล้วน้ำก็จะจืดก็คือจะหายร้อนอยู่สบายนะคะการดื่มน้ำจากบ่อน้ำทิพจึงเป็นเหมือนการรักษาโดยเฉพาะถ้าใครเป็นปอบมาอยู่หมู่บ้านนี้แล้วจะหายหมดค่ะ ข้างๆบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีเจดีบรรจุกระดูกของพ่อใหญ่แกเป็นลูกชายของพ่อใหญ่คำซึ่งพ่อใหญ่แกก็ก็เป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านนะคะเพราะว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมค่ะเมตารับคนต่างถิ่นที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นให้อยู่อาศัยด้วยแล้วก็แบ่งปันที่ดินทำกินให้นอกจากนี้พ่อใหญ่แกยังเป็นคนที่มีคาถาอาคมและก็เป็นผู้สร้างกติกาในการทาพิธีบ่อน้าทิพด้วยค่ะ ต่อมาก็มีข่าวแพร่กระจายไปนะคะว่าหมู่บ้านที่มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสามารถรักษาคนที่เป็นปอบให้หายได้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้มีผู้คนมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะมารักษาตัวค่ะแล้วก็มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันที่ทําให้คนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นปอบเนี่ยไม่ยอมกลับไปยังถิ่นกําเนิดที่ตนจากมาและก็รวมกลุ่มกันตั้งรกรากอยู่ที่นี่ดังนั้นบ้านนาสาวนานจึงถูกเรียกกันอีกชื่อนึงว่าหมู่บ้านผีปอบนะคะ ผู้คนทุกสารทิตค่ะทางที่ถูกขับไล่ออกจากสังคมโดยหาว่าเป็นปอบแล้วก็คนที่ต้องการรักษาปอบที่สิงอยู่ในตัวเองให้ออกไปก็ได้เดินทางมาเพื่อรักษาตัวเองเมื่อมาถึงแล้ว หัวหน้าหมู่บ้านที่ได้รับการถ่ายทอดแลวก็การรักษามาจากพระธุดงก็จะให้ครอบครัวนั้นมาพบสอนให้นับถือพระทำแต่สิ่งดีๆแล้วก็ทำพิธีแต่งขันห้าพร้อมดอกไม้ทูกเทียนไปที่บ่อน้ำแล้วก็ตักขึ้นมาอาบขึ้นมาดื่มกินพร้อมกับจัดแบ่งที่ดินให้อยู่เป็นสัสดส่วนจนทำให้หมู่บ้านนี้ขยายใหญ่ขึ้นตามลาดับจนถึงปัจจุบันค่ะ คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบที่มาอยู่ใหม่จะต้องแต่งขัน5่านะคะก็จะมีดอกไม้5้าคู่เทียน5คู่แล้วก็ในวันพระเพื่อที่จะขอน้ำทิพย์จากบอบไปรักษาตัวโดยจุดเทียนบูชาขอจากาธาตุเจดีบรรจุกระดูกของพ่อใหญ่แก่ก่อนตักน้ำ มีการกำหนดข้อห้ามสำคัญก็คือห้ามนับถือและก็บูชาผีทุกชนิดและให้ยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นพิธีกรรมที่บ่อน้ำทิพเป็นเสมือนการปรับสถานภาพค่ะให้ทุกคนมาอยู่จุดเดียวกันเพราะทุกคนที่เข้ามาอยู่ใหม่จะต้องทิ้งความเชื่อเรื่องผีและก็เรื่องรางของขลังและไสยศาสตร์ลงไปในบ่อน้าทิพนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่โดยยึดเหนี่ยวสิ่งเดียวกันนั่นคือพุทธศาสนาค่ะ สำหรับคนที่ไม่ยอมทิ้งความเชื่อเดิมนั้นเชื่อกันว่าจะมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านได้ไม่เกิน3ปีก็ต้องตายความเชื่อเรื่องผีปอบของคนอีสานหากจัดประเภทผีออกก็จะเป็น2ประเภทคือผีดีกับผีร้ายปอบก็จะถูกจัดอยู่ในประเภทผีร้ายเช่นเดียวกับผีโปง่งผีกระซือผีแม่ไม้ส่วนผีดีค่ะ ก็จะถูกจัดออกมาอ่าก็คือเป็นผีที่พิทักษ์รักษาเช่นผีฟ้าผีปู่ตาผีเรือนผีตะแหกประมาณนี้นะคะแล้วก็ในความเชื่อของชาวอีสานปอบก็จะมีอยู่2ชนิดคือปอบเชือ้อแล้วก็ปอบมนค่ะปอบเชื้อคือปอบที่เกิดจากคนที่มีญาติพี่น้องที่เคยเป็นปอบมาก่อนส่วนมากจะเป็นผู้หญิง อีกประเภทหนึ่งคือปอบมนซึ่งเกิดกับคนที่เคยเรียนมนวิชาประเภทอาคมของขลังแล้วก็มนสเสน่ห์แล้วไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ครูสอนหรือห้ามไว้ได้เชื่อว่าคาถาจะเข้าตัวแล้วคนคนนั้นก็จะกลายเป็นปอบปอบประเภทนี้เนี่ยจะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะปรากฏการที่เกิดปอบขึ้นในหมู่บ้านตามภาคอีสานนั้นพบว่ามักจะมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นก่อนค่ะโดยเฉพาะกรณีที่มีคนตายติ ด, ต, ดติดกันอย่างผิดสังเกต จากนั้นชาวบ้านก็จะซุบซิบวิพากษ์วิจารณ์หาสาเหตุที่ทำให้คนตายแล้วก็มักจะลงความเห็นร่วมกันค่ะว่าเป็นเพราะปอบทั้งๆที่ยังไม่มีใครเคยเห็นตัวของปอบเลยนะคะว่ามีรูปร่างอย่างไรเพียงแต่มักจะมีการฝันเห็นเป็นร่างสัตว์บางชนิดเช่นเห็นลิงเห็นหมูเห็นหมาแต่ว่าชาวบ้านเชื่อกันค่ะว่าปอบเนี่ยเป็นต้นเหตุให้คนตายติดติดกันด้วยการกินตับไตไส้พุงนะคะ เชื่อกันว่าคนที่ถูกปอบเข้าจะมีอาการผิดปกติร้องเสียงดงังพูดจาไม่รู้เรื่องหรือมีพฤติกรรมแตกต่างจากชาวบ้านทั่วไปเมื่อสังคมลงความเห็นว่าใครเป็นปอบแล้วส่วนใหญ่ค่ะจะไม่มีชาวบ้านคนใดเข้าไปคบหาสมาคมด้วยไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การร่วมงานเพราะทุกคนต่างก็กลัวปอบแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งค่ะก็คือกลัวความคิดของสังคมด้วย เพราะว่าเป็นที่รู้กันค่ะว่าถ้าใครเข้าไปสมาคมกับปอบก็มักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบไปด้วยคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบนะคะก็จะได้รับปฏิกิริยากระทบกระทั่งจากชาวบ้านอย่างต่อเนื่องคนคนนั้นแล้วก็ครอบครัวจะไม่มีใครครบหาสมาคมด้วยและอาจจะถูกกระทำด้วยวิธีรุนแรงตั้งแต่รบกวนให้หวาดผวาทาพิธีขับไล่ไปจนถึงขู่ฆ่าขู่เผาบ้านเผาเรือนจนคนคนนั้นน่อยู่บ้านเดิมของตัวเองไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมภาคอีสานค่ะมีเรื่องแ ป, กแปลกๆก็คือมีคนเจ็บแล้วก็ตายโดยอ้างนะคะว่าถูกผีปอบมากินมีครอบครัวนับร้อยนับพันประสบเคราะห์กรรมถูกคว้างตาด้วยก้อนหิน จนบ้านทั้งหลังพังย่อยยับมีเสียงขู่อาฆาตมีการเข็นฆ่าแล้วก็มีการจองเวรจองกรรมกันถึงกับต้องถอนเสาเรือนหอบรูปหอบเต้าหนีหัวสุกหัวซูลออกจากบ้านเกิดสมซารเข้ามาอยู่ร่วมกันในชุมชนใหม่ในหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่ามีบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรักษาคนที่ถูกปอบเข้าสิงให้หายได้อย่างกับหมู่บ้านนาสาวนานนะคะที่อำเภอพันนิคมจังหวัดสกลนครแห่งนี้ค่ะ ในวันนี้นะคะก็ยังคงมีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบเดินทางมาขออาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมากคนที่เป็นปอบมาจากที่อื่นถึงแม้ว่าจะมารักษาตัวจนหายแล้วก็ตามแต่สังคมถิ่นฐานบ้านเกิดก็ยังไม่ยอมรับเพราะเชื่อกันค่าว่าถ้าออกจากหมู่บ้านนี้ไปแล้ววิญญาณปอบมันก็จะหวนกลับมาเข้าสิงสู่ได้อีก เพราะไม่มีน้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์คอยควบคุมดังนั้นผู้คนที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วส่วนใหญ่ไม่ได้กลับออกไปสร้างที่อยู่อาศัยมีครอบครัวแล้วก็ประกอบอาชีพหากินที่นี่ไปจนตายผีปอบจะเป็นความเชื่อที่งมงายหรือว่ามีอยู่จริงก็ยังคงถกเถียงกันไม่สิ้นสุดมันก็เลยทำให้คำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็ยังเป็นํานวนยอดฮิตที่ใช้ได้ผลมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย ถ้าตราบใดที่ยังมีผีปอบอยู่ในสังคมของคนภาค พ, พื้นอีสานปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชนก็จะเกิดขึ้นซ้ำร้าย ก็คือทำให้มีญาติพี่น้องต้องตัดขาดจากกันด้วยก็มีนะคะปัจจุบันค่ะสมาชิกหมู่บ้านนี้ล้วนแต่เป็นคนที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบและถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเดิมที่มีพื้นเพมาจากหลายอาเภอหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีหนองคายสกลนครอุบลราชธานีร้อยเอ็ดและอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะปัจจุบันบ้านนาสาวนานมีทั้งหมด270หลังคาเรือน ประชากร 1,780 คนมีวัด2แห่งแล้วก็โรงเรียนปถม1แห่งทุกวันนี้หมู่บ้านนาสาวนานก็ยังคงมีปัญหาการไม่ยอมรับจากคนภายนอกอยู่บ้างถึงแม้ว่าพยายามบอกชาวบ้านหมู่อื่นนะคะว่าหมู่บ้านของตนไม่ใช่หมู่บ้านผีปอบแต่เป็นหมู่บ้านที่รักษาคนที่เป็นปอบได้ ดังนั้นที่หมู่บ้านนี้จึงไม่มีผีปอบซึ่งต่อมาความเชื่อเรื่องปอบก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามีาศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและกลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในหมู่บ้านก็ไม่เชื่อเรื่องผีปอบเพราะคิดว่าไม่มีจริงและไม่กลัวจึงมีการคบหาสมาคมกับเพื่อนหญิงชายและเกิดการแต่งงานข้ามหมู่บ้านลูกหลานของผู้ที่เคยได้ชื่อว่าเป็นปอบที่เกิดขึ้นมารุ่นใหม่นี้ จะทำให้ความหวาดกลัวลดน้อยลงและเชื่อค่ะว่าเรื่องราวของปอบในหมู่บ้านนาสาวนานหรือหมู่บ้านผีปอบอีกไม่นานค่ะก็คงกลายเป็นเพียงแค่ตำนานให้เล่าขานเท่านั้นค่ะ